เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์สีประการท่านพระยศกากันดกบุตรกล่าวต่อไปว่าท่านทั้งหลายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินฑิกะขหาบดีเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรืองสี่ประการสิ่งมัวหมองสี่ประการคือ S 1. เมฆเป็นสนิส่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรือง 2. หมอกเป็นสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรือง 3. ควันและฝุ่นละออง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 สิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรืองสี่ประการเหล่านี้แหลเช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองสี่ประการนี้อุปกิเลสสี่ประการคือ หนึ 1> 1. ่งุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งดื่มสุราและเมรยัยไม่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรยัยพิสุทั้งหลายนี้เป็นอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สงา่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่หนึ่งสองพิุ ทั้งหลายสมณพราหม์พวกหนึ่งเศรษเมถุนธรรมไม่เว้นขาดจากการเสพเมถุนธรรมภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอุปกิเล์ที่เป็นเหตุให้สมณพราหม์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สงา่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่สองสภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์พวกหนึ่ง ยินดีทองและเงินไม่เว้นขาดจากการยินดีทองและเงินภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมพวกหนึ่งมัวหมองไม่สงา่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่สามสภิกษุทั้งหลายสมณพราหมพวกหนึ่งดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพ ไม่เว้นขาดจากมิจฉาชีพพิกสุทั้งหลายนี้เป็นอุปักิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหม์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สงา่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่สี่ท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้แล้วพระสุคตครั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้ว พระศาสดาได้ตรัสประพันธ์คาถาว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งถูกราคะและโทสะปกคลุมถูกอวิชชาหุ้มหอยินดีรูปที่น่ารักดื่มสุราและเมรัยเสพเมถุนธรรมโง่เขลายินดีเงินและทองสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ตรัสอุปกิเลส ท, ที่ทำให้สมณพราหม์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สงา่าไม่ผ่องใสเป็นที่รู้กันไม่บริสุทธิ์มีทุลีถูกความมืดปกคลุมเป็นาธาตุแห่งตันหาถูกตันหาชักนำให้อัตภาพหยาบ เจริญเติบโตย่อมยินดีการเกิดใหม่อาตมามีวาทะอย่างนี้กล่าวอธรรมว่าเป็นอธรรมกล่าวธรรมว่าเป็นธรรมกล่าวสิ่งมิใช่วิไนว่าเป็นสิ่งมิใช่วิไนกล่าววิันว่าเป็นวิไนแต่กลับถูกกล่าวหาว่าด่าบริพาตอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ทำให้เขาหมดศรัทธา